บัญชีเสาเข็มที่คนมาบม่ได้จากมืนอนี่เขารายงานมาเนี่ยหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทโ อ, อ้ยังขาดอยู่ยังขาดอยู่คงจะ ม, งมัยังไม่ยังไม่เปิดทูนมั่งถ้าได้หกล้านสี่แสนแปลว่าเซ็นสัญญา เซ็นสัญญาเสาเข็มได้เงินค่าประกันหล้านหกล้านสี่แสนนี่ยังไม่ถึงอีกยังขาดถึงสองแสนว่ะแสนกว่าไม่ใช่สองแสนแสนสามมยังขาดอยู่แสนสามมืนเงินประกันที่จะเซ็นสัญญาวันที่ยี่สิหกวันพุ่งนี้ก็คงจะไม่มีปัญหามั่งขนาดนี้ วันนี้ก็เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ ช, ชวนลูกศิษย์ลูกหาวัดของเราเนี่ยน่นาขำน้อยอายจารย์ชวนกับพร้อมครอบครัวญาติญาติถวายสร้างเสาเข็มสอง0มือห้าอดีตูุญไลนเนออาจารย์ชวนเนอลูกหลานทุกคนเนอเดี๋ยวหลวงพ่อจะรวบรวมไปเข้าบัญชีเสาเข็มของหลวงตา วันนี้เป็นวันพุทธที่25มกราคมพุทธศักราช2560วันนี้หลวงพ่อจะได้เดินทางนะคณะนะาจัตยาญาดโยมลูกลานพระเนนหลวงพ่อจะได้ออกไปวันนี้ไปทำธุระเสร็จแล้วก็คงจะตอนเย็นๆทางชมลมพ่อค้า เสีย อ, อ๋อพวกกลุ่มนะั้นพวกเสีย อ, อ๋อเป็นหัวหน้านิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมที่เจริญโฮเตทนที่ห้องประชุมใหญ่ของเขาหลวงพ่อเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วละ่ะเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็อยากเชนิมนต์หลวงพ่ออีกอหลวงพ่อไม่ปฏิเสธเพราะลูกหลานชาวอุดรก็เหมือนกับเป็นแข้งเป็นขา เ, เป็นไม้เป็นมือของเราเ อ, อ แต่สุขภาพหลวงพ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่านั้นแหละในช่วงนี้เพราะมันเป็นไอมาตั้งแต่วันที่ส5ห้าเป็นวัดแต่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณสัก 80% อซนอย่างไม่หายขาดนะาตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาหนะลวงพ่อก็คงจะวันนี้ก็คงจะไปทำธุระนะถ้าไม่มีอะไรก็คงจะสวับเข้าไปดูที่เถาเทศเสาเข็มที่วัดป่าบ้านตาดคงจะไปสักช่วงระยะหนึ่งง จากนั้นคงจะมาแสดงธรรมจากนั้นเราคงจะไปพักที่วัดรวมธรรมนะลูกหลานนะแล้วก็วันที่ย7ทางมหาวิทยาลัยศนะีขอนแก่นมหาวิทยาลัยคอนแก่นศรีคงจะเป็นศรนะีนักเรีนแต่ไม่ใช่คณะแพทย์นะก็บอกมหาวิทยาลัยก็จะหาทุน ให้กับนักศึกษาเขาก็มามาในมวนหลวงพ่อเขาทำเป็นครั้งแรกจกโปรโมทให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่หาทุนไม่ได้หาทุนยังขาดทุนรทรัพย์ที่จะเรียนศึกษาแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูแลอืออันนี้ก็คือทรัพยากรของประเทศชาติเราจะ ห่างเหินปล่อยปะละเลยมันก็นไม่ได้พอที่จะช่วยจุดไหนได้ก็เออเอาเพอจะเกิดประโยชน์ให้ลูกหลานนะขว่านาานิ ม, มนต์หลวงพ่อไปเป็นประธานทั้งฝ่ายสงให้ด้วยหลวงพ่อก็เลยรับนะแต่ไปทางนี้ทางนั้นน่ะหลวงพ่อไปที่ไหนมีแต่โดยมากเอาไปให้จะมากกว่าอันนี้นก็ไปที่จะช่วยมหาวิทยาลัยขอนแกน สีนักริยนเน่นักเรียนเท่าไหร่้าหกพันมั้งนักศึกษานะได้ยินได้ทางลวงพ่อท้านหลวงพ่อจำไม่ผิดนะนัน่นะก็มากอยู่ลูกหลานทุกคนบางไม่ใช่จะรวยทุกคนพุทธอยากจนก็มีแต่เรียนดีนิสัยดีก็ควรจะส่งเสริมหลวงพ่อก็คงจะได้ไปจากนั้นหลวงพ่อก็คงจะได้ลงกรุงเทพอกที่ไห พอสวนแสงธรรมวันที่ 28-29 บ 28. ี่กด็คงจะฉันที่จิตโพษณา29ช้ฉันที่สวนแสงธรรมแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็วันที่ส0สบเป็นวันครบพรอบวันจุตินิพพานขององค์หลวงตาจะน่าก็คงจะตอกเสาเข็ม้ว ตอกเสาเข็มจริงลักแรกทำให้ผิดพลาดนะพรบริษัทก็เข้ามาพร้อมแล้วนะจะเซ็นสัญญาก็บเซ็นสัญญาวันที่6วันที่26ที่จะถึงเนะี่ยวันพุ่งนี้นะจะเซ็นสัญญากันแล้วก็วันที่สามสิบเป็นวันตอกเสาเข็มในพันสองร้อยห้าสิบเ็ดต้นนะจะลงเสาเข็มวันที่สามสิบ วันหลวงตาจุตินิรพาน6ปีพอดีนะลูกหลานหปีเต็มพอดีเนละจะเข้าปีที่เจ็ดละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดเรื่องเสาเข็มของหลวงตาเนี่ยอย่างหลวงพ่อได้พูดได้ประกาศนั่นแนหะจะใช้เวลาสามเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่วันที่สามสิบตุลาตั้งตีวันที่สามสิบมกรานับไปสามเดือนตามสัญญาตามเส็นสัญญา บางทีอาจจะเสร็จก่อนก็ได้บางทีอาจจะเสร็จหลังก็ได้แต่ช้านะาช้าเข้าไปแล้วมันก็ต้องผิดสัญญาล่ะเขีเ ส, สัญญาสามเดือนถ้าว่าผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อจะจะรวมเสาเข็มก็นนะั้นโอนๆเข้าไปบัญชีของหลวงพ่อสุดใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวบัญชีวัดป่าบ้านตาดนะจ ะ, จะต้องได้ใช้จะตุ ป, ปใจพอสมควรอยู่คราวนี้เพระมันพันสาว พ2 5 1ห้าบอ็ต้นเป็นเงินสามสบสองล้านกว่าบาทนะเนี่ยอันนี้ก็คือ้าว่าลูกร้านเอาคนละต้นสองต้นอย่างอาจารย์โชนพาเอานะต้นหนึ่งนะแต่คนอื่นใครอื่นกันนะ่ะคนละสามสี่ต้นศิละ5าีห้าต้นตระกูลของเราตามไม่จริงน่าจะทำนะ่ะเราซื้ออย่างอื่นเราซื้อเพชรนินกินดามาทิ้งไว้ก็เท่านั้น จะเป็นสมบัติของเราก็ใช่ยุแต่ว่าถ้าเราเสียสละทุนทรัพย์พร้อมลูกหลานไปซื้อเสาเข็มตอกลงในแผ่นดินเราเห็นเจดีย์ของลงตาต่างงานขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราภาคภูมิใจอย่างมากนะลูกหลานนะคิดขึ้นมาเมื่อไรก็อุ่นใจภาคภูมิใจอย่างคุณแม่ชีแก้วนะท่านว่ามาพบนี่ชาตินี่ไม่รู้ ก, กี่พบกี่ชาติ ท่านว่าสมัยเมื่อสร้างพระธาตุพนมเลยผู้ข่าได้ร่วมสร้างพระธาตุพนมกับเขาอยู่ในในชาตินั้ น, นขนาดที่ชาติที่แล้วได้สร้างเอท้าวรวัตถุไว้เนี่ยเกิดมาพบในชาตินี้ก็ยังภาคภูมิใจอยู่นะข้ามพบข้ามชาติมาแล้วนี่แหละการประกอบคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันประทับใจไปนานนะลูกหลานนะอควรจะ ถ้าไม่มีถ้าไม่เดือดร้อนนะถ้าไม่เดือดร้อนตนเองควรจะทําควรจะสร้างนั่นแนหะถาวรวัตถุสร้างถวายองค์หลวงตาหลวงพ่อรับรองรับประกันนี่แหละแปลว่าเนื้อนาที่ดีหวานลงไปแล้วไม่เสียหายมิถะเจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานเลยแล้วก็พร้อมการหลวงพอ่อลงไปทําธุระสาธากิจ กะน้ำหม้อไ่เนี่ยนะเนี่ยจันนอยเน่ยเป็นผู้ดูแลเพราเป็นพระผู้ใหญ่จะช่วยๆกันนะพี่น้องลูกหลานจุดทายญาติโยมช่วยๆกันแต่หลวงพ่อกับ ภ, ภาคภูมิใจนะแอมกำแพงไปดูเมื่อวานเนี่ยปิดหละปิดทุกช่องระบายเนี่ยพวกสัตว์สาลาสิงที่พวกเก่งพวกมูปลาพวกสัตว์ใหญ่ของออกไม่ได้ละท่านยอย่างเหลือแต่ตรงสะพานสะพานเนี่ยก็คง จะได้ทำอีกสะพานนั่นแหละตรงที่ยังไม่มียงมีมีมรั้วสะพานที่มันพังไปยังอยู่จดเดียวประมาณสักสิบกว่าเมตรนัน่นบางที่ยังไม่จอดแต่จำนวนอื่นที่มันเป็นกำแพงที่น้ำมดุดน้ำรอดเนะอออันนั้นกำลังท่านกำลังซ่อมกันอยู่อุตรุทไอ้ตัวนั้นแล้ยังคิดดูแล้วประมาณร้อยกว่าเมตรเหมือนกันนะ ที่มันน้ำมุดกำแพงแต่ทียังไงสัตว์มันออกไม่ได้ออกได้แต่ ง, งูเท่าน่นนะกับกระรอกกระแตสัตว์ใหญ่ออกไม่ได้แหะทีนี้หลวงพ่อหายหว่วงละเรื่องกำแพงจดกันแล้วแต่ยังถนนถนนดูอาจจะถึง200รเมตรก็มัง้งถนนจากหน้าป่าชามานะ่จนถึงประตูนี่นะ่ะและก็พร้อมกับสะพานสะพานก เทพื้นไปแล้วล่ะยังเหลือแต่ข้างบนก็คิดว่าสะพานนี่ก็คงจะใช้เวลานานเพราะตองพวนอยู่นี่แหละงานในวัดของเรานะเดี๋ยวนี้กาลังแขม่งเกี่ยวกำลังใช้เงินอย่างอุตตรุดล่ะเพราะว่าจะต้องวัตถุมิตรของมีตะเหล็กตัวแพงๆเข้ามาใช้ แ, แต่เนี่ยเพราะมันเป็นสะพานนี่แหละ อันนี้ก็คืองานในวัดของเราหลวงพ่อไม่ได้ตรงพ่อเห็นแล้วก็อึ้ลูกหลานพระเนรศรัทธาญาติโยมช่วยๆกันคนละไม้คนละมือหลวงพ่อก็เบาใจนะเห็นแล้วงานไปเป็นไปได้ความเรียบร้อยราบรื่นดีมากแต่จะพูดแล้วทำงานไม่กี่วันก็งานก็ลุล่วงไปด้วยดีวางแผนงานได้ดี หนะลวงพ่อลงไปเขาเนี่ยนะขอให้พระเนนลูกหลานทุกองนะพระนกทุกองคนะตั้งอกงตั้งใจภาวนาตั้งองค์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้ที่ทำงานก็ผู้ที่ทำงานก็ทําไปผู้ที่อยู่วัดก็ทํางานเหลื่อมกันปัดกวาดทําความสะอาดสรุปแล้วก็คืออย่าทะเลาะวิวาทกันนะนะหลวงพ่อไม่อยู่นะพ่อไม่อยู่เออ ลูกทะเลาะกันเสียนะเสียตระกูลนะแปลว่าพ่อสั่งสอนไม่ดีพ่อสั่งสอนไม่ดีไม่ถึงใจแต่หลวงพ่อเองพยายามสอนพระลูกพระหลานทั้งหลายให้เป็นพระที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีพูดกันก็ไปในาทางศีลทางธรรมพอพวกเราผ่านโลกมาเกือบทุกคนแล้ว จนเป็นพระนะอายุยีสิไม่ผ่านได้ยังไง เ, เรื่องตื่นลึกตื่นลึกหนาบางทั้งหลายโลกนะเราก็พอจะรู้ได้อยู่แล้วทําไมนึงจะเอาโลกมาเคี่ยวเคี่ยวเอื้องอีกเราไม่ใช่วัวใช่ควายฮนะเนีวัวควายนะเท่านั้นไปกินหญ้ามาเลยก่ น, นอนเคี่ยวเอื้องหลับตานอนเคี้ยวอยู่ตลอดเคี้ยวเอื้องนะนี้ก็เหมือนกันน เ, เราผ่านมาแล้วมาโลกมาแล้วเราจะไม่จะเอาเรื่องโลกมา มาพูดอีกไม่น่าจะเอาเรื่องโลกวัฏสงสารมาพูดเอาเรื่องธรรมะเนี่ยที่เราจะได้ศึกษาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสถานะไหน เ, นเราเป็นพระเนี่ยเราควรจะเอาเรื่องของพระมาพูดมาสนทนากันทำยังไงศีลของเราจะบริสุทธิ์ทำยังไงสมาธิของเราจึงจะดีทำยังไงจิตใจของเราจะได้รับความสงบเป็นไงท่านได้รับความสงบหม การภาวนาเนี่ยจะเดินกันยังไงการทำสมาธิเนี่ยบริกรรมกรรมฐานอะไรเป็นหลักต้องพูดกันสนทนากันอย่างนี้เนี่ยเป็นพระไม่ควรจะเอาเรื่องสับเพรใหละเรื่องโลกเรื่องสงสารมาพูดมันเขียวเอื้องเฉยเฉยเอไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ทำสัญญาอารมณ์เข้าสู่จิตใจเท่านั้นหละเรื่องทางโลกนะเรื่องธรรมะเนี่ยมีแต่เรื่อง หันไปทางที่จะปล่อยที่จะวางที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจตัวนี้เลิศประเสริฐกว่านะพระลูกพระหลานนะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะหลวงพ่อออกไปจากวัดแต่ละครั้งนะยครับเป็นห่วงวัดเหมือนกันแต่ก็ช่วยช่วยกันดูแล้ลนะสิ่งไหนขาดลกขาดเรือขาดตกบกพ่องเรื่องปัจจัยสีไม่ต้องออทุกข์ใจให้ อาจารย์หน่อยท่านรุ่นะออครูบาทั้งหลายที่เคยอยู่กับวัดหลวงพ่อเนี่ยออกไปเลยมีอะไรกันเนะี่ยหยิบสาบฉวยมาใช้ก่อนหลวงพ่อกลับมานะนะั่นแะไม่มีปัญหาหรอกนะเรื่องปัจจัยสี่หลวงพ่อก็ไว้เนื้อเชื่อใจพอพระลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานหลวงพ่อเนะี่ยพอได้อบรมมาด้วยดีแล้วนะแล้วก็ หลวงพ่อออกไปกันไปทำธุระศาสนากิจเพื่อพระพุทธศาสนาพวกเราอยู่ในวัดกันศึกษาเรื่องภาวนาเรื่องการเรื่องงานก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องงานกศึกษาเรื่องงานเหมือนกันในโลกนี้เราเกิดมาเราจะอยู่แบบหุ่นขี้พึ่งเฉยๆมันไม่ได้นะมันต้องเรียนรู้เรื่อง การเป็นอยู่ของเราการงานของเราเป็นการศึกษาทางนั้นนะหลวงพ่อนยสมัยเป็นพระน้อยพรหนุ่มเหมือนกันนะหลวงพ่อจะไม่อยู่แบบนิ่งดูไดยนะเขาทำอะไรเท้าไปช่วยทำทำแล้วก็สังเกตกศึกษาเพราะนั้นมาถึงมาเป็นหัวหน้าขนาดนี้นะพวกพระลูกพระหลานทำอะไรศรัทธาญาติโยมทาอะไรหลวงพ่อจะรู้ทั้งหมดวิธีการทำวิธีการดำเนิน กิจการงานเนะพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษาเราได้ผ่านการผ่านงานมาแล้ว น, ะนี่แหละอยากจะให้พรลูกพหลานทั้งหลายนะไปอยู่นักสถานที่ใดต้องศึกษาศึกษาหมดทุกอย่างนแะล้วที่เราควรจะเรียนรู้นะเรื่องต่างๆเรื่องการงานเรื่องเอกสา ร, รเรื่องตัวหนังสือเรื่องธรรมะเรื่อง ออะไรเรียนหมดะแต่ไม่อย่าไปเรียนในสิ่งที่มันไม่ดีท่านอะ่ะธาตุชัวเอออันนั้นสิ่งไม่ดีเลยอย่าไปเรียนนะอย่างที่หลวงพ่อพนะูดอ่ะอย่าไปเอาเครื่องกิเลสมาเคี้ยวเอื้องนะนะ่ะอันนี้หลวงพ่อบอกแล้วนะเออใช่มันเคี้ยวเอื้อมันกงไม่ดีจริงๆนะอย่างที่หลวงพ่อบอกนะ่ะนี่แหละขอยากจะให้พวกเราฟังแล้วกันคิดนําไปคิดนะ ผู้ที่ขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่อหลวงพ่อไม่อยู่ไว้ช่วงนี้เราจะภาวนาอตั้งจิตตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังในวาร์นะอพอหลวงพ่อไม่อยู่นะอบอกกับคูบาจังคูบาอาจารย์ก็ผมจะภาวนาดนะ้วยขอสักสนะามสี่ห้าวันเอาฤทธิ์อาจาั้นก็ตั้งอกตั้งใจเข้าไปอยู่ในกุฏิหลังไกลๆหมู่ในชะนะ่ไ่มไหน ปัดกวาดทาความสะอาด เ, อาเสร็จแล้วคนนีนะ้เดินยองกลมบังคับให้ใจอยู่กับตัวเองเท่านึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาเที่มันจะตายให้มันตายมันจะเกิดถ้ามันเกิดมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นจ้ะวาดูก็จะบังคับจิตใจให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวนะวันเนี้ยตลอดที่สามสี่ห้าวันเนี่ย เ, เว้นเที่ยวหลับถ้าตื่นขึ้นมาจะให้อยู่กับพุโทโธอย่างนั้น เอาพุทธโธนัง่งเอาพุโทโธเดินกับพุโทโธให้จิตอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดด้วยซี้นี่แหละอือยากจะให้พระเนรลูกหลานทดสอกทดลอ ง, ท ด, ลองทดสอบดูนะเออนั่นแหละแต่นี่พอเราทําอย่างนั้นได้ทนะ่านอือใช่เราจะเห็นช่องทางเออ ม, มันจิตมันออกไปเวลาไหนหว่าฮะเออเรารู้ได้เลยเธอนี่มีสติมันทันเนี่ยเธอเนียแต่อไปเอาอีกเอเอาอีกบังคับอีกฮะมันอยู่กับพุโทโธอีกไนงะ ทดลองหน่อสินีน่แหละเรามาฝึกหัดนั้นลูกหลานนะามาฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองเข้ามาบวชไม่ใช่ว่ามาแล้วเออแ э ล้วเห้ยลอยลมคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยพูดคุยไปเรื่อยเตลวีละวันอันนั้นไม่ใช่เรื่องของพระนะเออเอาเรื่องของครวาดมาใช้มันไม่ถูก เ, เมื่อเข้ามาบวชแล้วเนี่ยมันต้องมีหนักมันต้องมีเบาไอ้บ้านบอกเออมันหนักมันเบาเออเอา หมู่พวกเพื่อนไปถ้ามันหนักกันหลบไปหยุดในปาน่านกุฏิหลังวัดของเรามีตังเยอะแยะว่างๆขอกุญแจไปแล้วก็ไปเปิดไปปัดกวดาดทำความสะอาดไม่ต้องเห็นใครละไม่ต้องใครไม่ต้องข้ามมหาละเออเาตั้งแต่บัดนี้นาทีนี้เป็นต้นไปชั่วโมงนี้แหละอปัดกวาดทําความสะอาดจนอ้าวไหวพระผังของผ้าสุเวียงบาสิ่งเรีย ว, วาก็ไหวพระอ พุทโธธรรมโมสังโูอ拉หังสวะขะโตสุปติปรุรุตั้งจิตที่ฐานข้าพเจ้าจะทำให้สมาธิให้จิตอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่อยู่ที่นี่อยู่ที่กุฏิหลังนี้จากนั้นก็นั่งภาวนานั่งภาวนาลงเดินจงกลมเดินนั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาจากนั้นก็ จะเวลาเหนื่อยพักผ่อนก็นอนพุทธโทพุทธโทไปจนหลับตื่นก็นมาพุทธโทต่ออีกนี่แหละทดลองหนูนะพระเนนลูกหลานนะเอาทำอย่างที่หลวงพ่อพูดเพราะหลวงพ่อทำมาแล้วนะจึงได้มาพูดแนะนำพระเนนลูกหลานต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรในตีนเน้อจัทธายญาติโยม